พระรตรปิฎกฉบับประชาชนพระรตรปิฎกเล่มที่เจ็ดหมวดที่ห้าปาติโมกขถาปณะคันธ ก, กะหมวดว่าด้วยการงดสวดปาติโมกในวันอุโบโสถ15บ้าค่ำวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนัปปราศาส ท, ที่นางวิสาขาสร้างขวายในบุพารามพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จนกระทั่งดึกล่วงปฐ ม, มยามแห่งราตรี พระอานนุจึงกราบทูลขอให้ทรงแสดงปาฏิโมกข์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนั่งนิ่งเมื่อมาชิมยามแห่งราตรีล่วงไปพระอานนุ์ก็กราบทูลเตือนเป็นครั้งที่สองแต่ก็ทรงนั่งนิ่งครั้นปัจฉิมยามแห่งราตรีล่วงแล้วอรุณกำลังจะขึ้นพระอานนุนก็กราบทูลเตือนอีกเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่า บริษัทหมายถึงผู้ที่ประชุมกันอยู่ไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะพิจารณาก็รู้ว่ามีภิกษุที่ขาดจากความเป็นภิกษุแต่ปฏิญาณปนว่าเป็นภิกษุนั่งปนอยู่ในบริษัทนั้นจึงพูดกับภิกษุนั้นให้ออกไปแม้พูดถึงสามครั้งภิกษุนั้นก็ยังนั่งนิ่งท่านจึงจับแขนพาออกไปนอกซุ้มประตูแล้วลงกรอนข้างในซะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงความอัศจรรย์แปดประการของมหาสมุทรเปรียบด้วยพระธรรมวินัยของพระองค์และมีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อยู่ข้อหนึ่งคือมหาสมุตรยอมซัดซากศพให้ขึ้นสู่ฟังหมดเปรียบเหมือนการที่สงไม่ยอมคบหากับผู้ประพฤติผิดและยกเสียจากหมู่ ต่อจากนั้นไม่ส่งแสดงปาติโมกอีกเนื่องจากเหตุการณ์นั้นจึงตรัสว่าต่อไปจะไม่ส่งแสดงปาติโมกอีกส่งมอบให้สงฆ์ทำอุโบสถสวดปาติโมกสรงอ้างเหตุผลว่าพระตถาคตไม่แสดงปาติโมกในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์และส่งบัญญัติพระวินัยห้ามภิกษุที่ยังมีอาบัตติดตัวอยู่ฟังปาติโมก ถ้าขืนฟังต้องอาบัตทุกกฎส่งอนุญาตให้งดสวดปาติโมกเพราะเหตุที่มีภิกษุยังมีอาบัตฟังปาติโมกได้พร้อมทั้งส่งแสดงวิธีสวดประกาศระ ง, งับการสวดปาติโมกด้วยแต่ก็ส่งห้ามไม่ให้งดสวดปาติโมกแก่ภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัตโดยไม่มีเหตุผลแล้วส่งแสดงการระ ง, งับการสวดปาติโมกที่ไม่เป็นธรรม และเป็นธรรมหลายประการรวมทั้งอันตรายหรือเหตุที่ทรงอนุญาตให้หยุดสวดปฏิโมกได้สิบประการคือหนึ่งพระราชาเสด็จมา 2. โจรปล้นสไฟไหม้สน้ำท่วม 5. คนมามากโดยข้อนี้เลิกสวดเพื่อทราบเรื่องหรือเพื่อต้อนรับ 6. อมนุษย์เบียดเบียน 7. สัตว์ ร, ร้ายหรือเสือเข้ามา 8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา 9. ภิกษุเกิดอาพาธอันจะถึงแก่ชีวิต 10. มีอันตรายแก่บรมจรรย์การโจทฟ้องทรงตอบคำถามของพระอุบาลีเกี่ยวกับการโจทฟ้อง กรณีนี้สำหรับภิกษุผู้ไม่สมควรจะฟังปาติโมะเริ่มตั้งแต่การตัดสินใจนำตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อทรรมเพื่อวินัยและการโจทย์้องกันเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมซึ่งมีลักษณะต่างๆหลายประการ